45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพลสมเด็จพระย า, สานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอริกษนนะัย ท่านยังมีจำแนกไว้ถึงว่าในกามาโลกมีรูปอะไรอยู่บ้างในรูประโลกมีรูปอะไรอยู่บ้างโดยปกตินั้นในกามาโลกหรือโลกที่เป็นการมาผจรเช่นมนุษย์ทั่วไปเมื่อพูดถึงในประวัติการคือในการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้หมายถึงการตั้งต้นก่อกําเนิดก็จะได้รูปทั้งปวงดังที่กล่าวมาไม่บกพร่อง แต่ท่านแสดงว่าสำหรับในเวลาปฏิสนธิจำพวกสัตว์ที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าใครหรือสัตว์จำพวกอุ ป, ปาติกะคือลอยเกิดอย่างมากก็จะปรากฏรูปเจ็ดหมวดได้แก่หนึ่งจักขุ 2. สองโสตะ์สาานะสชิวหาหกายะ 6. ภาวะที่หมายถึงเพศและเจ็วัตถุ ที่หมายถึงหัยรูปแต่ว่าอย่างต่ำในบางครั้งก็อาจจะไม่มีจักขุโสตคานะและภาวะคือเพศแต่สำหรับสัตว์ที่เป็นคับเสยยกะคือสัตว์ผู้กำเนิดในคันนั้นในตอนถือปฏิสนธิก็ปรากฏรูปสามหมดก่อนคือกายหนึ่งภาวะเพศหนึ่งและวัตถุคือหัยถหนึ่งแต่สำหรับภาวะคือเพศนั้นในบางคราว ก็ไม่มีเช่นพวกกระเทยต่อจากนั้นรูปหมดอื่นๆเจ้งจากขู่เป็นต้นจึงเกิดขึ้นตามลำดับหมายถึงปฏิสนธิทีแรกนี่เรียกว่าเป็นกรรมสมุดฐานหมายถึงจิตดวงที่สองสืบจากปฏิสนธิไปนี่เรียกว่าเป็นจิตสมุดฐานและหมายถึงการเวลาที่รูปดำรงอยู่เรียกว่ามีอุตตุเป็นสมุดฐานและก็หมายถึงการแผ่ไปของโอชา ก็เรียกว่ามีโอชาเป็นสมุดฐานความเป็นไปของหมวดรูปที่มีสมุดฐานทั้งสี่ในการโลกคือในโลกที่เป็นกรมาพจรเป็นไปไม่ขาดสายตลอดอายุเหมือนอย่างเปลวประทีปหรือเหมือนอย่างกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปแต่สำหรับในเวลามรณะเมื่อดำเนินไปถึงจุติจิตแล้วต่อจากนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป และรูปที่เกิดจากกรรมที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ดับไปพร้อมกับจุติจิตต่อจากนั้นรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอาหารก็ขาดแต่ว่ารูปที่เกิดจากอุตกตุก็ยังอาจสืบไปได้ชั่วคราวคือว่าหมายถึงกะเลวะระคือซากศพของคนตายที่ยังคุมกันอยู่ยังไม่แตกสลายสิ้นไปทันทีได้กล่าวถึงรูปในการมโลกแล้ว ต่อไปท่านได้แสดงถึงรูปในรู ป, ปรโลกคือในโลกของพรหมผู้ได้ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่ารูปประพรมในโลกของพรหมนี้ไม่มีรูปที่เป็นหมดูดฐานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายคือกายปาัสาะและภาวะคือเพศกลับไม่มีหมวดรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้น ในเวลาปฏิสนธิของรูปปพ้นจึงมีหมวดรูปแต่สามหมวดคือหมวดจักษุกับหมวดโสตและมีหทัยวัตถุที่ตั้งแห่งจิตใจกับมีหมวดรูปที่เป็นชีวิตแต่ในเวลาประวัติการคือเวลาที่สืบต่อไปจากปฏิสนธินั้นก็มีรูปที่เกิดจากจิตและเกิดจากอุกตุคือฤดูดังกล่าวนั้นด้วย ส่วนพวกสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีสัญญาเรียกว่าอสศรมีสัตว์นี่ไม่มีทั้งตาทั้งหูทั้งอาทัยวัตถุและทั้งเสียงและไม่มีทั้งรูปที่เกิดจากจิตทั้งหมดในเวลาที่ก่อปฏิสนธิก็มีแต่ชีวิตเท่านั้นและสืบจากก่อปฏิสนธิแล้วรูปกายของอาศรมีสัตว์นั้นก็สืบต่อเกิดจากอุตุคือฤดู และก็เป็นรูปที่มีลักษณะเบาอ่อนและอาจจะควรแก่การงานได้คือเคลื่อนไหวอะไรได้บ้างในชั้นนี้กล่าวถึงแค่รูปภพเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงในอรูปะโลกหรืออรูปภพภพของพรมผู้ได้ฌานซึ่งมีอารูปเป็นอารมณ์เพราะว่าไม่เกี่ยวกับรูปที่ท่านแสดงไว้รูปที่แสดงไว้ในอภิธรรมดังที่ได้นามากล่าวไว้พอทราบเป็นแนวทางก็เพียงเท่านี้ แต่ถ้าจะต้องการทราบให้ละเอียดต้องศึกษาเป็นพิเศษเรื่องจิตเจตสิกและรูปดังกลาง่าวมานี้ผู้ที่สนใจศึกษาใช้เวลาศึกษากันในด้านเดียวก็เป็นเวลากว่าปีแล้วก็ต้องจดจำหัวข้อกันมากมายเหมือนกันกำเนิดของคนอภิธรรมปิดกนี้ผู้ที่วิจารณ์บางท่าน ก็ได้แสดงความเห็นว่าอาจเป็นอธิบายของพระสุตตันตปิฎกได้ในหลายประการในพระสุตตันตปิฎกบางเรื่องแสดงไว้แต่หลักใหญ่ๆบางทีก็อาจมาหาอธิบายเพิ่มเติมได้จากคัมภีร์อภิธรรมหรือว่าบางทีดูรายละเอียดในคัมภีร์อภิธรรมแต่ยังไม่อาจจะประมวลหลักลงได้ก็อาจจะไปหาหลักเป็นที่ประมวลได้ในสุตตันตปิฎกดังเช่นเรื่องการก่อกําเนิดของคน มีแสดงไวในอภิธรรมปีดกดังที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวแก่รูปก็ตั้งต้นมีรูปชนิดไหนเกิดขึ้นบ้างและเริ่มต้นด้วยจิตอะไรมาโดยลำดับแต่ก็ยังเป็นรายละเอียดในกระแสปัจจุบันถ้าได้ศึกษาให้รู้คู่กันไปกับหลักเกณฑ์ที่มีไว้ในพระสูตรด้วยก็จะได้ความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ยกถึงเรื่องก่อกาเนิดของคนในพระสูตรมากล่าวไว เป็นการเทียบเคียงด้วยในธาตุวิภังคสูตรได้แสดงว่าบุรุษคือคนนี้มีธาตุหกได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายุธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศและวิญญาณธาตุธาตุรู้มีปัญหาว่าธาตุทั้งหกนี้ ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรในติกนิบาตอังคุตรนิกายมีกล่าขยายความไว้ว่าอาศัยท่าทั้งหกคันจึงก้าวลงคือตั้งคันเมื่อคันตั้งลงก็เกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็เกิดอาญตนาหกเป็นต้นตามพระบาลีนี้สองว่าต้องมีวิญญาณท่าทารู้ซึ่งเป็นท่าที่หกประกอบไ่ด้วยคันจึงก้าวลง ซึ่งหมายความว่าตั้งคันในการตั้งขันนั้นในมหาตันหาสังคยสูตรได้กล่าวไว้มีความว่าเพราะประชุมแห่งองสามทันถึงก้าลงหมายความว่าตั้งรันคือมารดาบิดาสันนิบาตหมายความว่าอยู่ด้วยกันหนึ่งมารดามีระดูหมายความว่าอยู่ในระหว่างระดูหนึ่ง คันทัพพะท่านอธิบายว่าสัตว์ผู้เข้าถึงในคันคือสัตว์ผู้จะเกิดปรากฏขึ้นหนึ่งเพราะความประชุมแห่งองสามเหล่านี้คันจึงก้าวลงคือสัตว์ผู้เกิดในคันมาถือกำเนิดซึ่งถือกันว่าตั้งขันนั้นมารดาบริหารคันเก้าถึงสิบเดือนก็คลอดบุตรและโดยปกติก็เลี้ยงด้วยโลหิตคือน้ำ น, นมของตนการที่สัตว์มาถือกำเนิดในคันดังกล่าวนั้น เกิดเป็นตัวขึ้นทีเดียวหรือว่าตั้งต้นมาอย่างไรโดยลำดับมีบาลีเล่าไาาว้ในสคารวัสังยุตติกายว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่พบคือที่อาศัยของอินทกายะก็คงจะเป็นคนประเภทที่เขาเกรงกลัวว่าดุร้ายที่สุดเรียกว่าอินทะอยู่บนภูเขาอินทกูดที่ใกล้กรงราชคฤห์ยักษ์ผู้นั้นท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีความเห็นว่า สัพู้เกิดในคันนั้นก็เกิดเป็นตัวขึ้นมาทีเดียวถ้าตั้งต้นเป็นจุดเล็กๆขึ้นมาก็คงจะต้องย่อยเป็นอาหารไปหมดเหมือนอย่างว่ามารดาได้บริโภคอาหารเข้าไปจะเป็นเนื้อหรือเป็นผักอะไรก็ตามก็ย่อยเป็นอาหารไปหมดถ้าหากว่าเด็กตั้งต้นเป็นจุดเล็กๆขึ้นมาก็คงจะต้องย่อยไปหมดจะต้องเกิดเป็นตัวขึ้นมาทีเดียวจึงได้กรบทลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านได้ผูกเป็นคาถาไว้ว่าพระพุทธทั้งหลายย่อมกล่าวว่ารูปไม่มีชีวะสัตว์นี้ย่อมได้จรียละนี้อย่างไรกระดูกและเนื้อของสัตว์นั้นมาจากไหนกันสัตว์นี้ย่อมคล้องคือมังเกิดในขันอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบที่ท่านได้ผูกเป็นคาถาไว้ว่ากาละละมีขึ้นก่อน จากกรละก็เป็นอมพุทธจากอมพุทธก็เป็นเปสิจากเปสิกก็เป็นคณะจากคณะก็เกิดเป็นกิ่งที่แตกออกไปผมขนเล็บเป็นต้นก็เกิดขึ้นมารดาบริโภคโภชนะข้าวน้ำอันใดนราชนผู้อยู่ในคันของมารดานั้นก็เลี้ยงอัตภาพด้วยอาหารนั้นในคันของมารดานั้นตามพระบาลีนี้ จึงมีจุดก่อกำเนิดเป็นกลละก่อนที่สองก็เป็นอัมพุทห์ที่สามก็เป็นเปสิที่สี่เป็นขณะที่ห้าก็แตกสาขาและต่อไปก็เกิดส่วนอื่นๆพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายไว้ว่ากลละที่เป็นจุดแรกก่อกำเนิดนั้นประมาณหยาดน้ํามันงานติดที่ปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทายสามเส้น คือเป็นอย่างหยาดน้ํามันงานหนึ่งที่เรียกว่ากะละละหนึ่งมีในสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองก็เป็นอัมพุทะว่ามีสีอย่างน้ําล้างเนื้อสัปดาห์ที่สามก็เป็นเปสิมีลักษณะคล้ายดีบุกเหลวหรือว่าอย่างน้ําใสาๆที่คั้นจากกะทิสดสัปดาห์ที่สี่เป็นคณะคือเป็นก้อนเนื้อก ล, ลมๆเหมือนไข่ไก่สัปดาห์ที่ห้าจึงเป็นสาขา คือแตกเป็นกิ่งห้ากิ่งที่จะเป็นมือเป็นเท้าสี่กิ่งจะเป็นศีศรษะอีกหนึ่งกิ่งสัปดาห์ที่หที่เจ็ดจนถึงสัปดาห์ที่สี่สิบสองก็เปลี่ยนเป็นรูปที่บริบูรณ์ขึ้นเรื่อยจนถึงมีผมขนเล็ดฟันหนังเป็นต้นเป็นรูปบริบูรณ์จนถึงคลอดออกมานี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงไว้ติดอยู่ในพระไตรปิฎกสัตว์มาเกิดขึ้นด้วยอย่างไร และมีพระพุท菩萨สิทธิต์ตรัสตอพระอานุ์ในอังคุตรนิกายเก็บเอาม า, าเฉพาะที่ต้องการว่าพระอานุ์ได้ทูลถามว่าพบมีด้วยเหตุอะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระอานนุ์ว่าถ้ากรรมให้วิบากในกามธาตุในรูปธาตุในอรูปธาตุหมายความว่ากรรมที่จะให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพถ้าไม่มี พบต่างๆนั้นกล่าวจะปรากฏหรือพระอนุก็กระททูลว่าปรากฏหาไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ากรรมังเขตตงกรรมเป็นเหมือนนาวิญญาณังผีชังวิญญาณเป็นเหมือนพืชที่หวานลงในนาตันหาสิเนโหตันหาเหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืชอันจะทำให้พืชนั้น ปลูกงอกงามขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกรรมวิญญาณและตัณหาอยู่ก็ยังจะต้องไปเกิดในภพต่างๆคือหมายความว่ายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอยู่ยังมีตัณหาเป็นสัญญอด้วคือเป็นเครื่องเท็จคือเครื่องผูกอยู่ในพระสูตรได้แสดงไว้โดยย่อ ด, ดังนี้คราวนี้เมื่อต้องการจะไปหารายละเอียดว่า ในขณะที่ถือปฏิสนธินั้นจิตเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรเรื่อยไปจนถึงจุตินั่นก็ต้องไปดูรายละเอียดในอภิธรรมแต่ว่าเมื่อจะประมวลเป็นหลักใหญ่ก็ไปหาไดจากะศูดังกล่ามานี้นิพพานหลักใหญ่ในอภิธรรมอีกอย่างหนึ่งคือนิพพานซึ่งเป็นหลักที่ครบสี่ ท่านอธิบายไว้ในที่นี้ว่าเรียกว่านิพพานก็เพราะออกจากตันหาที่มีชื่อเรียกว่าวานะซึ่งแปลว่าเครื่องเสียบแทงเหมือนอย่างลูกศรซึ่งเป็นเครื่องเสียบแทงพูดอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยพยัญชนะในอภิธรรมหรือในที่อื่นก็ว่าเมื่อถอนลูกศรคือกิเลสในจิตใจออกทั้งหมดได้ก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นตามสภาพ นิพพานจึงมีเพียงอย่างเดียวแต่อาจจาแนกโดยเหตุบางประการได้สองคือสอุปาทิเสสนิพพานธาตแปลว่านิพพานทาตที่มีปัญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่และอนุปาทิเสสนิพพา น, านธาตนิพพานทาตที่ไม่มีปัญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานธาตของพระอรหันต์ผู้ดับขันธ์แล้ว อีกอย่างหนึ่งอาจจะแยกโดยอาการได้เป็นสามคือสุญญาตาวิภานนิภานที่ว่างกิเลสอนิมิตตาวิภานนิภานที่ไม่มีกิเลสเป็นนิมิตเครื่องหมายอปนะนิหิตาวิภานนิภานที่ไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งชื่อทั้งสามนี้บางอาจารย์อธิบายอิงหลักไตรลักษ์คือเมื่อพิจารณาไตรลักษ์ข้ออนัตตาที่ว่า ปัญจะขันไม่ใช่ตัวตนจนจิตว่างจากความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนบรรลุนิพพานคือความดับกิเลสนิพพานของผู้พิจารณาดังนี้ก็เรียกว่าสุญญตะนิพพานเมื่อพิจารณาตราลักษณ์ข้อว่าไม่เที่ยงคือปัญจะขันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนดับอนุจาความไม่เที่ยงปรากฏชัดจกกะกำหนดลงไปตอนไหนว่าเที่ยงสักแห่งหนึ่งก็ไม่ได้ ความไม่มีนิมิตคือไม่มีที่กำหนดหมายก็ปรากฏขึ้นเมื่อบรรลุนิพพานก็เรียกว่าอนิมิตตานิพพานนิพพานที่ไม่มีนิมิตเมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้อว่าตั้งจะขันเป็นทุกข์หมายความว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่งแปลงไปเรื่อยเมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็หาที่ตั้งของปัจจขันไม่ได้ จะไปตั้งอยู่ตรงไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นบรรฑุนิพพานนิพพานของท่านผู้พิจารณาดังนี้ก็เรียกว่าอัปปณิหิตะนิพพานนิพพานที่ไม่มีที่ตั้งแต่อันที่จริงตามหลักนั้นไตรลักษณ์ก็ต้องพิจารณาทั้งสาข้อและจะต้องพิจารณาเป็นหมวดคือทั้งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาความสิ้นกิเลสถึงจะปรากฏขึ้นได้เพราะฉะนั้น อธิบายของท่านดังกล่าวมานี้จึงเป็นอธิบายแย่ไปตามอากาศเท่านั้นแต่ตามทางปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาสามลักษณะนั้นประกอบกันรวมหลักใหญ่ในอภิธรรมที่ท่านอนุรุท ธ, ธาจารย์ได้ยกเป็นหลักประมวลเป็นสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพพานในคำพีเถรวาดฝ่ายเราแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอภิธรรมเจดคำพี แด่พระพุทธมารดาในเทวโลกชั้นดาวดึงได้สอบถามดูว่าทางมหายานเขาไหวอะไรกันในเรื่องนี้ก็ได้รับคําตอบว่ามีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แสดงอภิธรรมแสดงพระสูตรพระสูตรหนึง่งอภิธรรมในมหายานก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระพุทธภาษิตเหมือนอย่างในเถรวาดราั อภิธรรมในมหายานนั้นเป็นธรรนองอัตถกถาคือเป็นคำภีร์อธิบายพระสูตรมีชื่อคำภีร์ก็แตกต่างจากอภิธรรมทั้งเจ็ดในฝ่ายเถรวาทหลักแต่ว่าเนื้อความนั้นจะมีคล้ายกันบ้างหรือต่างกันอย่างไรอย่างไม่ทราบที่ของมหายานว่าเป็นคำอธิบายนั้นก็เข้าเข่าเพราะคำว่าอภิธรรมในที่แห่งหนึ่งให้ความหมายว่าคำอธิบายพระธรรม เมื่อพิจารณาดูในอภิธรรมเจ็ดคำภีของเราก็เป็นโรปนั้นคือยกเอาหลักธรรมต่างๆมาประมวลเข้าและจำแนกอธิบายออกไปอย่างกว้างขวางและในอัตถกถาฝ่ายเราเองก็รับว่าในภาคมนุษย์นี้พระสารีบุตรเป็นผู้แสดงอภิธรรมแต่ก็ไปอ้างว่าเพราะไปฟังอภิธรรมจากพระพุทธเจ้ามาแสดงแก่พิสุที่เป็นศิษย์ของท่าน ถ้าจะถือว่าเป็นตำราที่อธิบายพระธรรมก็ไม่ทำให้คุณค่าของอภิธรรมนี้ลดลงไปเพราะก็มีสาระที่ควรศึกษาควรทราบอยู่เป็นอันมากดังเช่นที่กล่าวมาแล้วเรื่องอภิธรรมก็ยุติเท่านี้เจ็ดพันศาที่แปดเทสกรลลาวัน ใกล้สุมาหาราักีรักปัญหาในอาริยภูมิพรรษาที่8ปดของพระพุทธเจา้าพระอัตถกาถาจา์ซึ่งได้เขียนกำพีอัตถกถาในสมัยเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงได้แล้วประมาณหนึ่งพันปีเศษได้เขียนล่าไว้ว่าพระพุทธเจา้าได้ทรงเทศอภิธรรม โรดพระพุทธมารดากับเทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดไตรมาสในวันมหาปวารณาออกพรรษาก็ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาอย่างเมืองมนุษย์ที่นครสังกษะได้มีหมู่มนุษย์ทุกชั้นตั้งต้นแต่พระเจ้าแผ่นดินได้แต่รอเฝ้ารับการเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาแล้ว ก็ได้ตรัสถามปัญหาแก่บุคคลตั้งต้นแต่ภูมิชั้นต้นชั้นต่ําจนถึงภูมิชั้นสูงเมื่อทรงตั้งปัญหาถามในภูมิชั้นใดบุคคลผู้ได้ภูมิชะ้นนั้นแล้วก็ตอบปัญหานั้นได้แต่ก็ไม่อาจจะตอบปัญหาที่สูงกว่าภูมิของตนได้ได้ตรัสถามเรื่อยจนถึงภูมิของพระอัครสาวกเบื้งขวาคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ตอบได้ แต่เมื่อทรงได้ตั้งปัญหาถามในชั้นพุทธภูมิที่สูงกว่าภูมิของพระสารีบุตรภาษารีบุตรก็ตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้นั้นก็เพราะไม่ทราบพระพุทธอัจฉริยใสว่าจะมีพระพุทธอัจฉริยใสให้ตอบโดยไหนไหนท่านยกตัวอย่างปัญหาที่ถามในพุทธภูมิว่าบุคคลผู้มีธรรมะอนันต์คือพิจารณารู้ตลอดแล้ว หมายถึงพระอเศขบุคคลคือพระอาหารหันต์กับบุคคลผู้ที่ยังเป็นเศคะคือยังต้องศึกษาอยู่หมายถึงท่านผู้บรรลุภูมิพระโสดาบันขึ้นมาจนถึงภูมิของพระอนาคามีบุคคลสองจำพวกนี้มีความประพฤติเป็นอย่างไรปัญหานี้พระสารีบุตรไม่ทราบพระพุทธอัธยาศัยว่ามุ่งจะให้ตอบในไหนไหน แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประธานในมุ่งจะให้ตอบในในของขันพระสารีบุตรก็เกิดปฏิภาณขึ้นติงตอบได้ข้อที่ท่านเล่าไว้นี้ก็น่าฟังอยู่เหมือนกันในการตอบปัญหานั้นจังจะต้องรู้ในคือความประสงค์ของปัญหาหรือของผู้ถามเมื่อตอบให้ถูกตามความประสงค์ก็เป็นอันใช้ได้ดังปัญหาธรรมะว่า คนดีนั้นคือคนอย่างไรก็กว้างมากถ้าจะตอบยกเอาธรรมะในนวโกวาดมาก็ได้เกือบจะทุกข้อเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาให้รู้ความประสงค์ของผู้ถามหรือของปัญหาว่ามุ่งจะให้ยกเอาธรรมะข้อไหนขึ้นมาตอบและเมื่อตอบให้ถูกความประสงค์ได้ก็เป็นอันใช้ได้ตอบนิดเดียวก็ใช้ได้แต่ถ้าตอบผิดความประสงค์ ยกเอาธรรมะมาตอบทั้งเล่นบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันนี้ยกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงปัญหาที่เป็นพุทธภูมิสารีบุทธก็จาจะต้องได้ในและเมื่อได้ในแล้วก็ตอบได้อาจารย์ผู้นิดหนึ่งก็ไม่มีพระพุทธเจ้าได้ทรงสร่เสริญระสาราฤุษ์ว่าเป็นผู้มีปัญญามาก เป็นผู้ที่สามารถจะปฏิบัติธุระแห่งพระองค์ได้และท่านได้เล่าว่าได้ตรัสชาดกเรื่องหนึ่งยกย่องสาษาฤกบทมีความว่าได้มีดาบทคณะหนึ่งประพฤติโพสอยู่ในป่ามีอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนมูดาบททั้งหลายบรรดาสิทธเหล่านั้นได้มีสิท์ผู้หนึ่งเป็นผู้ชาะและได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าสิทธทั้งหลายคราวหนึ่ง หัวหน้าสิทธิ์คนนั้นก็ได้ลาอาจารย์พาคณะสิทธิ์หมู่หนึ่งไปอยู่ในละแวกบ้านฝ่ายอาจารย์ก็เกิดอาพาธขึ้นและเมื่อใกล้จะถึงมรณะสิทธิ์ทั้งหลายก็ได้ถามอาจารย์ว่าอาจารย์บรรลุธรรมอะไรบ้างอาจารย์ก็ตอบว่านิดหนึ่งก็ไม่มีพวกสิทธิ์ได้ยินดังนั้นก็เสียใจว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยเมื่ออาจารย์ถึงมรณะแล้ว ก็ไม่ทําสการะแกะ่ศพฝ่ายศิษย์ผู้เป็นหัวหน้าเมื่อกลับมาแล้วได้ทราบว่าอาจารย์ถึงมรณะและได้ทราบเรื่องที่หมู่ศิษย์ได้ฟังปฏิญญาของอาจารย์เมื่อใกล้จะตายและก็ผากันไม่นับถือไม่สักการะศพจึงได้ชี้แจงอธิบายว่าอาจารย์มรลุอรูปฌานชั้นที่สามอารูปฌานชั้นที่หนึ่งนั้นมีอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดชื่อว่าอารูป คือไม่มีรูปก็เพราะกําหนดอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ในอากาศนั้นไม่มีรูปอะไรเมื่อจิตแน่วแน่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อารูปที่หนึ่งอารูปที่สองนั้นมีอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดคือว่ารู้ไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดเท่าใดรู้ก็ออกไปไม่มีที่สุดเท่านั้นและในตัวรู้ ก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกันคือไม่มีรูปอะไรเมื่อตั้งต้นด้วยอากาศที่ไม่มีรูปอะไรรู้ที่สูงขึ้นไปซึ่งแผ่ออกไปไม่มีที่สุดก็ไม่มีรูปอะไรอีกเหมือนกันเมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อารูปที่สองอารูปที่สามนั้นมีอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีหรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มี เพราะเมื่อเลื่อนขึ้นมาจากชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองซึ่งไม่มีรูปอะไรอยู่ในอากาศอยู่ในตัวรู้ฉะนั้นเมื่อจะเน้นค้นลงไปว่ามีอะไรอยู่บ้างก็ไม่มีอะไรทางนั้นจึงกำหนดลงไปว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีหรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่าได้อรูปที่สามส่วนอารมปที่สี่นั้น จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีอะไรคือไม่มีรูปอะไรยิ่งขึ้นสัญญาคือความกาหนดหมายก็ไม่ต้องใช้อะไรเพราะไม่มีอะไรจะกาหนดก็อ่อนลงไปเวทนาก็อ่อนลงไปเพราะไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาก่อเวทนารูปอะไรน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีจนถึงขั้นที่เรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ คือว่ามีอยู่บ้างแต่ไม่พอจะใช้อย่างปกติจะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ได้จะเรียกว่ามีก็ไม่ได้คล้ายๆกับเกือบจะหลับหรือว่าเกือบจะดับลงไปแต่ก็ไม่หลับไม่ดับนี้เรียกว่าเป็นอรูปที่สี่พิจารณาดูนโสลถปัญหาท่านที่มุ่งจะบำเพ็นวิปัสสนาต่อถ้าจะเล่นทางสมาธิให้ได้ชาน ก็มักจะดำเนินมาถึงขั้นที่สามคือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีและก็จะบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไม่ไปถึงชั้นที่สี่พิจารณาดูต่อไปถึงขั้นที่สี่แล้วจิตจะอ่อนกำลังเต็มที่คือว่านามธรรมานั้นเป็นกำลังของจิตนามธรรมาอ่อนลงไปทุกทีไม่พอจะใช้พิจารณาอะไรให้เกิดความรู้ถ้าจะดาเนินไปอยู่ถึงชั้นที่สี่ ก็ต่อออกไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่านิโรธสมาบัติเข้านิโรธคือเข้าดับซึ่งเป็นชั้นที่เก้านับรูปฌานสี่และอรูปสี่และนิโรธคือดับไปอีกหนึ่งก็เป็นเก้าดับอะไรก็คือดับสัญญาดับเวทนาหมดนามธรรมา ท, ทั้งหมดก็คงไม่ต่างอะไรกับหลับซึ่งตั้งแสดงว่าพระอรหันต์พระปัจเจกโพุทได้เข้านิโรธสมาบัติ คือเข้ารูปฌานอรูปฌานมาโดยลําดับจนถึงขั้นนิโรธสมาบัตินี้ในบางครั้งบางคราวและอย่างนานก็เข้านิโรธถึงเจ็ดวันโดยปกติท่านแสดงว่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ทําเสมอต้องการพักนานๆก็เข้านิโรธเป็นบางครั้งบางคราวสิทธิที่เป็นหัวหน้าจึงได้ชี้แจงว่าอาจารย์บรรลุอรูปชั้นที่สามไม่ใช่ว่าไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลย เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวสรรเสริญไว้ว่าถึงคนจะมาประชุมกัน ก, นกว่าพันคนแต่ว่าไม่มีปัญญาพากันคร่ำครวญอยู่ตั้งร้อยปีก็าตามคนคนเดียวที่มีปัญญารู้เนื้อความของภาษิตประเสริฐกว่าในตอนที่เสด็จลงจากดาวดึงนี้ท่านได้แสดงอธินิหาณไว้มากเป็นต้นว่าพาดบันไดลงมาจากชั้นดาวดึงถึงเมืองสังกัส และอภินิหารนี้ได้เป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดเวลาช้านานเมื่อหลวงจีนฟ้าเฮียนกับถังซังจั๋งไปอินเดียได้ได้เขียนจดหมายเหตุไว้ก็ได้เล่าถึงความเชื่อถือในอภินิหารเหล่านี้ได้เคยถามบางท่านว่าในฝ่ายมหายานเคยมีถอดความเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่ก็ได้รับตอบว่ายังไม่เคยมีใครถอดความเรื่องนี้ไว้แต่อย่างไรก็แสดงกันไป หรือว่าเชื่อกันไปอย่างนั้นแต่ก็ฟังได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงเมืองสังกัตสระนั้นในคราวหนึ่งหรือหลายครั้งและประชาชนก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสกันเป็นอันมากเรื่องที่เล่าว่าได้ทรงตั้งปัญหาถามบุคคลทุกภูมิชั้นนั้นก็แสดงว่าได้มีการสนทนาธรรมะกันอย่างกว้างขวางและในตอนนี้ก็เล่าถึงอภินิหารเรื่องพระเจ้าเปิดโลก หมายความว่ามนุษย์เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกเทวดาเห็นมนุษย์เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์เห็นเทวดาแปลว่าเห็นกันตลอดมิต่ตามนี้ก็เข้าใจง่ายๆว่าได้มีการแสดงธรรมะที่เป็นส่วนเหตุและแสดงธรรมที่เป็นส่วนผลอันจะถึงได้รับทุกภูมิทุกชั้นดังที่เราว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามปัญหาแก่บุคคลทุกภูมิชั้น ตั้งแต่ชั้นต้นชั้นต่ำจนถึงชั้นพุทธภูมิซึ่งเป็นชั้นที่ต้องทรงตอบเองหรือว่าประธานไนให้พระสารีหุบเป็นผู้ตอบความเชื่อถือเรื่องเสด็จลงจากเทวโลกนี้ได้มีมาตั้งแต่เก่าแก่เมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปเรื่องแรกก็ได้มีพระพุทธรูปปางเทวโรหณนะแปลว่าเสด็จลงจากเทวโลกและความเชื่อนี้ ก็ยังได้แผ่เข้ามาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายดังที่มีนิยมใส่บาตรวันเทโวคือวันออกพรรษาในบางแห่งเช่นนคนปรปฐมวันออกพรรษานั้นมีมนพระจากวัดต่างๆไปรวมกันอยู่บนเนินองค์พระและประชาชนก็มาตั้งขันใส่บาตรกันข้างล่างสองข้างทางพระก็เดินลงมาจากเนินองค์พระปถมดูเป็นเดินมาจากบันไดสูง แล้วก็ใส่บาตรมีนิยมกันมากทุกปีเรียกว่าใส่บาตรวันเทโวหรือเทโวโรหณนะเสด็จลงจากดาวดึงเมืองสังกตสนี้ในอัตถกถาธรรมบทว่าไกลาจากเมืองสาวัตถีส0สโยน์แต่ว่าเมื่อรวมระยะทางในบนัดนี้ประมาณ270็ิบไมล์ก็ใกล้เคียง ก, กันกับจำนวนที่ให้ไว้ว่า30สบโยช์นั้น เหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงพรรษาที่แปดได้เสด็จไปจําพรรษาที่เพสะกลาวันอยู่ชานเมืองสูงสุมาลกีระในพักกะชนบทภักกชนบทนั้นเป็นรัฐอีกรัฐหนึ่งซึ่งสมัยนั้นโพธิราชกุมารซึ่งเป็นโอวรสของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังสะ ซึ่งมีนครหลวงชื่อว่าโกสัมพีเป็นผู้ครองฉะนั้นจึงน่าจะขึ้นอยู่กับรัฐวังสว์ของพระเจ้าอุเทนโพธิราชกุมารซึ่งเป็นกู้ไปครองก็ทำนองไปครองฐานะเป็นเมืองลุกหลุงเมืองหลวงของภาคชนบทนี้ชื่อว่าสุงสุมาระคีระแปลว่าเมืองที่เป็นเนินจระเขตสุงสุมาระแปลว่าจรเข้คระแปลว่า เนินหรือเขามีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อสร้างนครนั้นได้มีจระเข้ร้องในห่วงน้ําแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจึงได้ถือเอาเสียงจระเข้ที่ได้ยินร้องในเวลาสร้างเมืองนั้นมาตั้งเป็นชื่อเมืองว่าสุ ม, สมาลกีรักส่วนเพศกาาวันซึ่งอยู่ชานเมืองนั้นคําว่าเพศกาลามติหนึ่งว่าเป็นชื่อยักษินีซึ่งเป็นผู้สิงสถิตยอยู่ในป่านั้นอีกมติหนึ่งว่า เพศกาลาแปลว่าไม้สีเสียดเพศกาลาวันก็แปลว่าป่าไม้สีเสียดแต่รวมความก็เป็นชื่อของวนาแห่งนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่วนะอันชื่อว่าเพศกาลานั้นได้มีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยที่ประทับอยู่ณที่แห่งนั้นที่ควรจะเล่าก็คือโพธิราชกุมารซึ่งเป็นผู้ครองแควนั้น ได้สร้างปราสาทใหม่สำเร็จขึ้นองค์หนึ่งชื่อว่าโกโกนุตปราสาทยังไม่ไปประทับจึงส่งมหาดเล็กชื่อว่าสัญชิกาบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปเสวยที่ปราสาทสร้างใหม่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์ก็ทรงรับอาราธนาและเมื่อได้เวลาในวันรุ่งขึ้นก็ได้เสด็จไปยังปราสาทของพระราชกุมารพร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์พระราชกุมาร ได้ปูผ้าขาวที่บันไดขึ้นประสาท ต, ตั้งแต่บันไดขั้นแรกขึ้นไปโดยตลอดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงพระราชกุมารก็ได้ทรงมาต้อนรับที่หน้าประสาทและได้ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินนำหน้าพระองค์ก็เสด็จตามหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงขั้นบันไดประสาทนั้นแล้วก็ทรงหยุดไม่ให้เสด็จขึ้นพระราชกุมารก็กราบทูลอัญเชิญให้เสด็จขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งพระราชกุมารได้กราษทูลถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าจึงได้ทอดพระเนตรไปที่พระอานนท์พระอานนุ์ก็ได้ทูลแก่พระราชกุมารว่าพระตถาคตไม่ทรงเหยียมผ้าขาวขอให้พระราชกุมารให้เก็บออกเสียพระราชกุมารจึงให้เก็บผ้าขาวออกพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จขึ้นสู่ประสาทพระราชกุมารก็ได้ทรงอังคาอาหารถวาย พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับเมื่อเสด็จกลับแล้วก็มีพระพุทธบัญญัติห้ามพิษุเหยียบผ้าขาวแต่ว่าต่อมาก็ทรงผ่อนให้เหยียบผ้าขาวที่เขาปูไว้สําหรับต้องการจะให้พระเหยียบเป็นมงคลได้ในตอนนี้พระอตจกถาจารย์ได้เล่า ว, ว่าพระราชกุมารได้ทรงอธิษฐานพระหาทัยว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเหยียบผ้าที่พระองค์ให้ปูไว้ก็จะได้โอรส เพราะไม่มีพระโอรสพระธิดาแต่อย่างได้เล่าถึงนายช่างที่สร้างประสาทของโพธิราชกุมารไว้ว่าเมื่อได้สร้างประสาทจูนจะเสร็จพระราชกุมารก็ให้เอาคนล้อมไว้ไม่ให้ช่างออกเพราะกําหนดไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะฆ่านายช่า ง, งเสียเพื่อไม่ให้ไปสร้างที่อื่นให้เหมือนกันฝ่ายนายช่างรู้ก็แซงว่าทํายังไม่เสร็จก็ขอเบิกเอาไม้และสิ่งต่างๆ ต, ตามที่ต้องการ เข้าไปสร้างนกยนต์ไว้บนชั้นบนของปราสาทเมื่อสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็หาวิธีนำบุตรภรยาขึ้นนกยนต์นั้นและบินหนีไปสร้างเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งและก็ตั้งตนเป็นผู้ครองเมืองนั้นชื่อว่ากัทวานะราชาในระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะวณะแห่งนี้ก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทแห่งสุราปานวัฏที่ห้ามให้พิสุ ก, ก่อไฟพิงอีกเรื่องหนึ่ง ได้มีคฤหบดีผู้หนึ่งชื่อว่าน ก, กุลปิตาพร้อมกับภรรยาได้เป็นผู้เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเป็นอันมากพระอาัจฉริาารยานได้เล่า ว, ว่าสามีภรรยาทั้งคู่นี้ได้มีความรักในพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างบุตรและได้เรียงพระพุทธเจ้าว่าบุตรในคราวหนึ่งน ก, กุลปิตาได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้กราบทูลว่าตนเป็นคู่แก่เท่ามากแล้ว จะไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและพิสุสงฆ์ได้น่นิดพระฉะนั้นก็ขอให้พระองค์ทรงโอวาทสงสารเพื่อจะให้เกิดประโยชน์เพื่อกูลและความสุขตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสโอวาทตัวย่อว่ากายนี้ซึ่งเป็นรังโรคเป็นของอาดูนคือครกระสับกระส่ายเมื่อบุคคลบริหารกายนี้อยู่ด้วยความพินิจพิจารณาถ้าไม่หลงไม่เขลา จะพึงรับรองว่ากายนี้ไม่มีโรคในครู่หนึ่งก็หาได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาว่าเมื่อกายอาดูนคือกษัตริย์ประสายจิตจกากไม่อาดูนคือประศักด์ประสายให้คฤหบดีศึกษาดังนี้ฝ่ายนกุลปิตาซึ่งได้สดับพระพุทธโอวาโดยย่ออย่างนั้นก็ได้ไปหาพระสารีบุตรขอให้ท่านอธิบายความให้พิสดาร ท่านพระสารีบุตรก็ได้อธิบายความให้ฟังโดยความว่าบุคคลที่มีกายกระสับกระสายมีจิตกระสับกระสายด้วยนั้นอย่างไรคือบุคคลที่ไม่ฉลาดรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในศัพว์บรษสธรรมย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนหรือว่าเห็นตนว่ามีรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณหรือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนหรือว่าเห็นตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความกำหนดยึดถืออยู่ว่าเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแรปรโปร่งเปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดความโศกความครั่งครวนความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจขึ้นเพราะความแรปรโปรนั้นอย่างนี้ชื่อว่ามีกายกระสับกระสายด้วยมีจิตกระสับกระสายด้วยส่วนบุคคลผู้มีกายกระสับกระสายแต่มีจิตไม่กระสับกระสายอย่างไร คือบคุคคลที่ฉลาดรู้อริยธรรมได้รับการแนะนําดีในศัพท์บรษธรรมไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นจึงไม่มีความกระหนดยึดถืออยู่ว่าเราเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแป ร, รปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่เกิดความศพเปิดต้นขึ้น อย่างนี้ชื่อว่ามีกายกระสับกระสายแต่ว่ามีจิตไม่กระสับกระสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อใกล้จะเสด็จสวรรคตได้ทรงพระราชิณิพลคำลาพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีและโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้มาอ่านลาพระสงฆ์ที่พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ ก็ได้ทรงเก็บความแห่งพระพุทธภาษต น, นี้มาทรงประพันธ์เป็นคะถาไว้บทหนึ่งว่าอาตุรัศมินปิเมกาเยจิตตังนะเหตุสตาตุรังเอวังสิกขามิพุทธสัตสาศาสนานนกติมกะรังแปลว่าเมื่อกายของเราแม้อาดูลกระสับกระสายจิตจักไม่อาดูล เรากระทำตามศาสนาของพระพุทธเจา้าศึกษาอยู่ดังนี้ ติดตามรับฟัง45พัรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป